ปรากฏว่าผงหินปูนก็หายไปหมดข้าวไปอยู่ในนั้นหมดเต็มหรือยังเออดูมันจะเต็มแล้วครับพระอาจารย์ก็เอาน้ำมาถ้วยหนึ่งเทลงไปอีกปรากฏว่าน้ำนั้นก็หายไปอีกเต็มแลเรียงภิกษุนักศึกษาไม่พูดอะไรคุกข่าวลงกราพระอาจารย์แล้วพูดว่าอาจารย์ครับทีนี้ผมเข้าใจแจมแจ้งแล้วครับผมจะฟังอาจารย์ต่อครับ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 ญาติโยมก็คุยกันดังท่านก็หยุดเทศเสร็จแล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนเสียงดังเนี่ยหลวงตาตื้อเทศให้ฟังเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาของดีๆมาให้ฟังกันเสียงดีเสียงเป็นมงคลให้ฟังก็ไม่ฟังเอา้างั้นฟังเสียงนี้ก็แล้วกันหลวงตาตื่อ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 แบบใหม่ตามยุคตามสมัยตามแบบพระผู้มีปริญญามหาปริญญาเทศออกทีวีกันพระมหาหนุ่มก็ขึ้นต้นว่านะโมเท่านั้นหลวงปู่ตื้อท่านบอกให้หยุดหยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดกุหลนหยุดไม่เอาไม่เอานะโมมันของเก่ามีมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วโบราณโบราณครัาครึไม่เอาเอาของใหม่ๆนะโมไม่เอาคุณหลาญไม่เอา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 หรือที่พระท่านเรียกวาศาสนาเดิมก็ยังติดตัวอยู่ละได้ไม่หมดลงปู่หลุยเล่าต่อไปว่าเมื่อครั้งพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งไปเรียกชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยอคนถูกเรียกก็พากันมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่ามันเป็นนิสัยเดิมเปลี่ยนไม่ได้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 เรื่องเพศชายเพศหญิงไม่สามารถจะทําให้ท่านเกิดกามกิเลสได้มันไม่เหมือนกับจิตปุถุชนทั่วๆไปหลวงปู่ตื้อท่านพักจําพรรษาและประจําอยู่นานที่สุดที่วัดป่าอาจารย์ตื้ออาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายท่านกลับไปจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดที่วัดป่าอรัญญวิเวกอาําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม แล้วก็ไปมรณะภาพวันที่19ก ร, รกฎาคมปี2517ศสิริรวมอายุได้86ปีท่านเกิดในครอบครัวชาวนาเกิดตั้งแต่ปี2 4อ1วันจันทร์ที่สมกุมภาพันธ์ที่จังหวัดนครพนมอำเภอสีสงครามโยมพ่อชื่อนายปลาโยมแม่ชื่อนางปัด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 คือตาผ้าขาวสองคนเนี่ยเข้ามาหาท่านคนหนึ่งแบกครกหินอีกคนถือสากเอามาวางไว้ตรงหน้าท่านตาผ้าขาวคนแรกก็บอกไอ้หนูแกยกสากนี่ออกจากครกได้ไหมโทษไอ้ขนาเสาเรือนผมยังแบกคนเดียวได้ภาษาอะไรกับสากเพียงแค่นี้ตาแล้วหลวงปู่ก็ลงมือยกทันทียกสองครั้งสากก็ไม่เคยื่อนพอพยายามครั้งที่3าถึงได้ยกสากหินนั้นขึ้นมาได้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 เห็นว่ามีธุระสำคัญจะพูดด้วยกินข้าวอิ่มแล้วให้ไปบ้านปู่สิงห์ดูสิว่าท่านมีเรื่องอะไรคำว่าอ า, อาจารย์หรือว่าพ่ออาจารย์ปู่จารย์เนี่ยทางอีสานเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่ที่เคยบวชพระหลายภาษาหรือว่าเคยเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ศึกออกมาครองเรือน ถือว่ามีความรู้มีคุณธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเมื่อหลวงปู่ตือ้อท่านข้าวเสร็จแล้วท่านก็รีบไปพบปู่จานยร์สิมทันทีปู่จารร์ก็เรียกให้เข้าไปข้างในเรือนเปิดประตูเข้าไปก็เห็นมีผ้าใยจีวรมีบาทมีบริขารสำหรับบวชพระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยปู่จานย์สิมก็มอบขันดอกไม้ที่เตรียมไว้ให้หลานชายเสร็จแล้วก็บอกว่า ปู่เห็นมีเอ็งคนเดียวเท่านั้นที่ควรจะบวชให้ปู่ปู่ก็เตรียมเครื่องบวชไว้ให้เรียบร้อยแล้วปู่อยากจะให้เอ็งบวชให้ปู่สักพันษาหนึ่งหรือว่าเออทำไมได้ก็เอาสักเจ็ดวันก็ยังดีบวชให้ปู่เป็นพอจะนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรหลวงปู่ตื้อท่าก็ปลื้มใจมากก็ตอบรับปู่ทันทีเลยแต่ว่าต้องไปขออนุญาตไปบอกลาพ่อแม่ก่อน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 อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุ21ปีบวชนานถึง19พรรษาแล้วก็มายติเป็นธรรมยุทธที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจยา์เป็นพระอุปชาหลวงปู่ตื้ออยู่ในฝ่ายธรรมยุทธ46พรรษาจวบจนท่านละสังขารเมื่ออายุ86ปี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 หลวงปู่ตื้อท่านก็บวชอยู่จนได้ครบพรรษาแรกก็หัดท่องหัดสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานจนจําได้ขึ้นใจออกไปสวดงานต่างๆในหมู่บ้านอื่นรวมกับพระอื่นๆเขาได้พอออกพรรษาแรกได้เดือนเสร็จปู่จานศิลปก็มาอีกมาถามอีกว่าอยากจะศึกแล้วหรือยังท่านก็ทำเฉยเสียพระรู้สึกว่าใจคอมันก็สงบสบายดีอยู่ท่านก็คิดในใจว่าท่านบวชเรียนแค่พรรษาเดียวการเล่าเรียนพระธรรมนี่ยังไม่ได้อะไรเลย อาราธนาศีลห้าศีลแปดอาราธนาพระเทศยังทําไม่คล่องเลยจําได้ผิดผิดถูกถูกถ้าสึกออกไปถ้าชาวบ้านเขาไหว้าวานให้นําอาราธนาต่างๆว่าไม่ได้ก็คงจะขายกี่หน้าเขาแน่ๆหลวงปู่ตื้อท่าก็บอกกับปู่จานว่าตอนเนี้ท่านยังรู้สึกสบายดีอยู่จะขอบวชไปเรื่อยๆก่อนว่าอย่างนั้นหลวงปู่ตื้อบวชจนกระทั่งมาเรียน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 ที่ว่าจะไปเรียนพระปริยัตติธรรมที่กรุงเทพเปลี่ยนมาเป็นการออกปฏิบัติแทนหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนารู้ข้อวัดเกี่ยวกับการเที่ยวทุดงกรรมฐานพอสมควรแล้วท่านก็พร้อมจะออกทุดงแล้วเป้าหมายแรกของท่านมุ่งออกไปทางฝั่งประเทศลาวเพราะว่าเป็นที่ที่พระทุดงในสมัยนั้นท่านไปกันมากเพราะมีความเหมาะสมในการบําเพ็ญภาวนาหลายอย่าง ท่านก็ออกจากจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าไปทางหนองคายแวะพักปฏิบัติภาวนาพร้อมกับโปรดญาติโยมชาวบ้านป่าไปเป็นระยะระยะค่ำที่ไหนก็ปักโลดพักภาวนาที่นั่นหลวงปู่ไปแวะพักที่พระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหยุดภาวนาอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็เดินทางมุ่งไปทางฝั่งประเทศลาว ท่านเดินทางข้ามแม่น้ำโขงไปลาวไปพักบาเพ็ญเพียรบริเวณนครเวียงจันทร์เป็นเวลาหลายเดือนท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านไปอยู่ที่เชิงภูเขาควายเนี่ยสี่เดือนเต็มเมคืนแรกที่ไปถึงภูเขาควายก็ไปนั่งภาวนาภายในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งพอเริ่มนั่งสม า, สมาธิไปได้สักชั่วโมงเศษๆก็ได้ยินเสียงดังอู้อูมาจากไกลมนก็เสียงลมพัด พอลืมตาดูก็ไม่เห็นอะไรท่านก็หลับตาทำสมาธิต่อปรากฏว่ามีพึ่งเป็นหมื่นหมืนแสนๆตัวมาบินวนเวียนเหนือศีรษะของท่านเสียงยังกระเรือบินเสร็จแล้วผงพึ่งก็บินลงมาเกาะตามผ้าจีวรของท่านเต็มไปหมดท่านต้องเปลืองจีวร อ, ออกถอดผ้าอังสะออกเหลือนุ่งผ้าสะบงผืนเดียวรวบชายสะบงด้านหน้าเอาลอดวางขาแล้วมาเน็บไว้ที่ขอบเอวด้านหลังเหมือนกับนุ่งผ้าจุงกระเบน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 ความอดทนให้กับหลวงปู่ได้เป็นอย่างดีหลังจากฝูงพึ่งกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ตื้นท่านก็นั่งสมาธิต่อพอท่านนั่งไปได้สักสองชั่วโมงเศษก็ได้นิมิตท่านเห็นคนศีรษะขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกลค่อยๆโผล่ขึ้นมาจนเห็นเต็มร่างมีรูปร่างใหญ่โตมากมาหยุดยืนดูท่านนานพอสมควรโดยไม่ได้พูดจาอะไรหลวงปู่ก็สงบนิ่งดูอยู่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 หลวงปู่ตื้อตั้งใจจะไปส่อหาไปฟังคําสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ท่านตอนนั้นท่านไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายหลวงปู่ตื้อเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกว่าการออกตุดงครั้งนั้นไปกันหองค์แต่ว่าไม่ได้เดินทางไปด้วยกันต่างแยกย้ายกันไปสแสวงหาที่มัมเพนตามนิสัยของตัวหลายๆวันก็จะพบปะกันบ้งางไต่ถามเรื่องราวซึ่งกันและกันแล้วก็แยกกันต่างองค์ต่างไปนอกจากพระไทยแล้วบางครั้งก็พบกับพระพระมา่าซึ่ง ท่านก็ออกท่องเที่ยวทุดงไปเหมือนกันออกจากเวียงจันทร์หลวงปู่ตื้อทุดงไปหลวงพระบางหนทางเดินน่ะลาบากที่สุดสภาพทั่วไปเป็นป่าทึบแล้วก็ภูเขาสูงมากมายบางวันเดินขึ้นเขาสูงๆแล้วก็เดินลงไปอีกด้านหนึ่งใช้เวลาทั้งวันน่ะอยู่เขาลูกเดียวเพราะตกเย็นค่ามืดท่านก็ปักกรดพักผ่อนทความเพียรภาวนาไดอารุณก็ตื่นออกเดินทางต่อไป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 บริเวณเชิงเขาเป็นป่าละเมาะมีต้นไม้เตี้ยเตี้ยทางเดินก็ไม่ลําบากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาท่านเดินไปเรื่อยเรื่อยไม่นานก็เห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งข้างหน้าเสร็จแล้วไกลออกไปเนะี่ยท่านก็มองเห็นชีปะขาวนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งท่านก็เลยเดินตรงเข้าไปหาพอหลวงปู่เดินเข้าไปใกล้จะถึงแล้วชีปาขาวไปนั่งสมาธิอยู่ไกลออกไปอไกลเหมือนเก่าอะ่ะท่านก็เดินเข้าไปอีก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 ตกกลางคืนขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ก็นิมิตเห็นชีประขาวเหมือนกับที่พบเมื่อตอนกลางวันเข้ามาหาแล้วก็บอกหลวงปู่บอกว่าขอนิมนให้ท่านอยู่ที่นี่ น, น, นานๆนะครับเดี๋ยวข้าน้อยจะสอนวิชาเดินป่าที่ไม่รู้จักอดอยากให้แล้วจะพาไปดูสมบัติต่างๆภายในธรรมท่านอยากจะได้อะไรก็จะมอบให้หมดหลวงปู่ก็ถามชีประขาวว่า เ, เมื่อเมื่อกลางวันในโยมนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินนั่นหรือเปล่าชีขาวก็บอกว่าใช่แต่ว่าที่ทำหายตัวห่างออกไปเรื่อยๆนั้นก็เพราะว่าคือต้องการในท่านมาหยุดพักผ่อนตรงนี้ก็เลยพามาเรื่อยๆพวกข้าน้อยนี่เป็นพวกกายทิพมีวิมานอยู่ที่นี่หลวงปูก่ก็อนุโมทนากับความหวังดีของชีปะขาว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 มีคนมาใส่บาตรท่านห้าหกคนแสดงว่าหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีพระธุดงค์มาโปรดสั่งสอนแล้วแม้ว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องพวกเขาก็ยังรู้จักใส่บาตรพระนับเป็นวันแรกที่หลวงปู่ได้ฉันอาหารนับตั้งแต่เดินทางออกจากหลวงพระบางเมื่อห้าวันที่แล้วพวกชาวบ้านป่าเรียกตัวเองว่าพวกข้าพวกเขาได้แสดงอาการขอให้หลวงปู่เนี่ยพักอยู่ด้วยนานๆแต่ว่าหลวงปู่ก็แสดงอาการให้รู้ว่าท่านขอบใจ ไม่สามารถจะอยู่ได้ อ, อยู่ด้วยได้หรอกเพราะว่าท่านมีกิจจะต้องเดินทุดงไปเรื่อยๆพอฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่ก็ทุดงต่อเดินไปตามภูเขาระดงไม้ไปถึงเมืองที่เขาเรียกเมืองทั้งห้าทั้ง6แล้วก็เข้าสู่เขตพมา่าบริเวณเมืองเชียงตงุงสมัยนั้นประชาชนชาวพมา่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากประสงค์องค์ข้าเจ้าก็มีเยอะแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูจากประชาชนเป็นอย่างดี หลวงปู่ก็ออกตูดงตามป่าตามเขาหลีกเลี่ยงการเข้าพักบ้านผู้คนหรือว่าใกล้หมู่บ้านนอกจากว่าเข้าไปบินธบาติพอได้อาศัยเท่านั้นท่านได้พบกับพระพระมา่าอยู่บ่อยๆพระเทระผู้เท่าก็มีสามเณรก็มีพวกท่านเหล่านั้นกลางกรดบำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าเขาห่างไกลบ้านผู้คนท่านเล่าว่าชนชาวพมา่าเนี่ย สนใจในกรรมฐานมากพอสมควรพระสงฆ์แล้วก็สามนเณรชาวพมา่าบางท่านออกเดินธุดงค์กรรมฐานชนิดไม่กลับวัดเลยคือหายสาบสูญไปเลยก็มีมากหลวงปู่บอกว่าพระพม่านี่เก่งทางคาถาอาคมมากบางครั้งเมื่อพบกันพระพม่าก็มักจะสอนคาถาต่างๆให้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในถิ่นที่ธุระกันดัน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 ถ้าหากสุขภาพไม่แข็งแรงจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆแล้วต้องป่วยไขย้ทำให้ลำบากแล้วก็ทุกทรมานมากขึ้นหลวงปู่ตื้อบอกว่าการภาวนาตามปากเขาเนี่ยจิตสงบดีมากแม้ว่าการเดินทางจะลำบากแต่ก็สปายะดีสำหรับเรื่องสัตว์ร้ายผีสางเทวดาไม่มีปัญหาอะไรกลับได้อารมณ์ความมฐานดีซะอีกได้ประโยชน์ในการบาเพ็ญภาวนาเป็นอย่างมาก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 เปลี่ยนความรู้กันเป็นที่ชอบใจถูกอัธยาศัยยิงนักแล้วก็หลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนสมัยเป็นพระทุดงนี่ท่านมีปฏิปทาที่ตรงกันแม้ว่าบุคลิกภายนอกจะแตกต่างกันอย่างมากหลวงปู่ตื้อนี่ห้าวจะหลวงปู่แหวนนี่นิ่มอย่างกระพุ่หญิงแต่ก็เข้ากันได้ดีทั้งสองท่านเป็นพระหนุ่มฝ่ายมหานิกายที่ท่องทุดงแต่ลําพังอย่างโดดเดี่ยวกล้าหาญโดยไม่มีครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานคอยกํากับชีทางเลย หลวงปู่แหวนเคยเข้ากราบถวายตัวเป็นศิษย์และได้รับคํานี้ชี้แนะจากหลวงปู่มั่นมาก่อนแล้วในครั้งที่หลวงปู่มั่นทุดงอยู่แถวจังหวัดอุดรธานีครั้งที่หลวงปู่แหวนยังเป็นสา ม, มเณรอยู่แต่พอหลวงปู่มั่นท่านไปทุดงทางภาคเหนือแล้วหลวงปู่แหวนก็เลยไม่มีครูบาอาจารย์กมาฐานคอยชี้แนะท่านอีกท่านก็ดันด้นฝึกฝนปฏิบัติเองอยู่ตามป่าตามเขาตามลําพังทางด้านหลวงปู่ตืออ้อก็ใยใจปรารถนาจะเจอพระอาจารย์มั่นให้ได้เหมือนกัน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 ก็อาศัยเดินมุดป่าไปตามรอยช้างไปเรื่อยๆ เ, เพราะสะดวกสบายกว่าบุกเข้าไปในป่าที่มันรกชัดตอนที่หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนพบกันแล้วก็เริ่มออกตู้ดวงด้วยกันใหม่ๆทั้งสององค์ก็มุ่งหน้าข้ามแม่น้าโขงไปทางสุวรรณเขตในประเทศลาวตอนจะข้ามแม่น้าโขงหลวงปู่ตือ้อได้แสดงอะไรบางอย่างให้หลวงปู่แหวนดูคือเรื่องมีอยู่ว่าทั้งสององค์ในหาเรือข้ามฟากไม่ได้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 อีกสักพักก็มีเรือหาปลาภายผ่านมาพอเห็นพระหนุ่มทั้งสองรูปยืนอยู่ที่ท่าน้ำก็พายเรือเข้ามารับผาข้ามฟากไปผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขากำลังหาปลาอยู่กลางแม่น้ำเสร็จแล้วรู้สึกสังหอนว่ามีพระกำลังรอเรือข้ามฝากเขาก็เลยพายเรือมาดูก็พบพระกุณเจ้าทั้งสองจริงก็นับว่าสัจจันร์มากหลวงปู่ตื้อท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าโยมได้บุญกองใหญ่แล้วคราวนี้ ที่เอาเรือมารับพระค้าฝากเนี่ยนะขอให้มันทำความดีไว้เถอะถ้าจะเลิกจับปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียได้ก็ยิ่งดีใหญ่ทูทำให้จับปลาแล้วจะให้ขน้อยทำมาหากินอะไรล่ะครับก็ทำไร่ทำนาหากินโดยสุจริตก็ดีแล้วต่อไปชีวิตครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีอาตามาขอให้พรนะคนหาปลามีความศรัทธาพระธุดงทั้งสอ ง, ององค์เป็นอย่างมาก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 ทั้งหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีวัดประจําหมู่บ้านแต่ไม่มีพระสงฆ์อยู่มีเนเนอยู่รูปเดียวสา ม, มนเณรก็ดีใจมากที่เห็นพระอาคันตุกะสองรูปมาแวะเยี่ยมก็จัดหาที่พักนอนหาน้ําร้อนมาถวายเสร็จแล้วสา ม, มนเณรก็หลบออกไปสักพักหลวงปู่ทั้งสองก็ได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตกกระตากเสร็จแล้วก็เงียบเสียงลงพักเดียมีกลิ่นไก่ย่างโชอยมาตามลม หลังจากนั้นไก่ย่างร้อนๆก็ถูกนํามาวางตรงหน้าหลวงปู่ทั้งสองสามเณรก็ประเคนอาหารด้วยความนอบน้อมนิมนต์ครูบาฉันไก่ก่อนข้าวเหนียวกําลังร้อนๆ น, นะครับนิมนต์ครับหลวงปู่ทั้งสองก็รับประเคนอาหารจากเณ น, นให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมแล้วท่านจะฝืนพระวินัยฉันไก่ย่างร้อนๆ น, นั้นได้อย่างไรเพราะมันเป็นมังสะอุทิศคือเป็นการจงใจฆ่าสัตว์เพื่อทําอาหารถวายพระโดยตรง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 คือทั้งสององค์มีมมอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันอย่างมากเลยก็อย่างที่ว่าหลวงปู่ตื้อท่านห้าวอ่ะออกจะดุดุจะหลวงปู่แหวนน่นนิ่มนวลเยือกเย็นเหมือนผู้หญิงเรียบร้อยท่านก็ร่วมเป็นสหัชันมิกไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีและหลวงปู่ตื้อเนี่เป็นพระชอบพูดชอบเทศมีปฏิปทาผาดโผนผู้เสียงดังตรงไปตรงมาชนิดไม่กลัวหน้าอินหน้าพร้อม หลวงปู่แหวนน่ะพูดน้อยพูดก็พูดเสียงเบาๆแทบไม่ได้ยินชอบอยู่เงียบๆเทศก็ไม่ชอบเทศมีแต่ให้ข้อธรรมสั้นๆมีปฏิปทาเรียบง่ายไม่โลดผนท่านเดินทางร่วมกันไปแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นสหทันมิกที่มีความใกล้ชิดกันที่สุดเลยแม้ในภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่ น, นเดินทางกลับไปภาคอีสานแล้ว หลวงปู่ทั้งสององค์ก็ยังพำนักอยู่ในภาคเหนือต่อไปจนเข้าสู่ไวยชราภาพแล้วสถานที่ที่ทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อเนี่ยพำนักอยู่ก็ไม่ห่างไกลกันพอไปมาหาสู่ถามไถ่ายถึงกันได้โดยตลอดจากประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนที่พระอาจารย์นาควัดสำพันธวงศ์ท่านเรียบเรียงไว้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 เมื่อหลวงปู่แหวนกลับมาพักผ่อนหลังจากจาริกไปลาวคือไปทางฝั่งซ้ายแม่น้ำขงส5้าวันก็ตั้งใจจะเที่ยวตามเมืองต่างๆจนถึง12ปันนา12จุไทยทางเหนือแต่ทหารฝรั่งเศสไม่ให้ไปก็เลยไปพักที่วัดใต้หลวงพระบางระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาพร้อมได้หลวงปู่ตื้อหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วก็ปรึกษากับหลวงปู่ตื้อมุ่งเดินทางไปทางภาคเหนือเดินไปค่าไหนก็นอนที่นั่นไม่มีลูกศิษย์ให้เป็นห่วง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 เสร็จแล้วหลวงปู่ตื้อก็แยกตัวไปพักที่อำเภอเถินหลวงปู่แหวนเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เที่ยวดูภูมิประเทศโดยรอบทั้งบนดอยสุเทพแล้วก็ที่อื่นๆแล้วก็เดินทางกลับมาพบหลวงปู่ตื้อที่ลาปางหลังจากนั้นคือปี2464หลวงปู่ทั้งสองก็แยกทางกันหลวงปู่แหวนลงไปกรุงเทพเพื่อจะไปรับฟังการอบรมจาก เ, าเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปม า, าจาร์ที่วัดบรมนิวา ตอนหลังทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อได้ไปกราบหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่โดยหลวงปู่แหวนได้ยติเป็นธรรมยุทธ์ก่อนอต่อจากนั้นทั้งสององค์ก็ท่องเที่ยวทุดงติดตามหลวงปู่มั่นไปยังที่ต่างๆในภาคเหนือติดต่อกันหลายปีพระอาจารย์บุระชัดพรหมจารโรซึ่งเป็นสิทธ์ได้บันทึกเรื่องราวตอนที่หลวงปู่ตื้อเข้าถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นว่าเวลานั้นที่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพชดเม็ดเอก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 ตอนนั้นปีสองพท่านอายุสาบเจดปีเมื่อท่านได้บวชเป็นธรรมยุทธก็พำนักอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคอยออกกรรมฐานติดตามพระอาจารย์มั่นต่อไประหว่างนั้นพระอาจารย์ตื่อติดตามไปกับพระอาจารย์มั่นไปตามถ้ำต่างๆหลายแห่ง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 คณะหลวงปู่ตื้อก็เดินอยู่จนเที่ยงวันก็ถึงบริเวณหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ที่เรียกว่าถ้ำพระปัเจกพุทธเจ้าตั้งอยู่บริเวณข้างหน้านี่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ต้องใช้ขอนไม้เกาะเป็นแพรถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้พระที่ไปด้วยกันไม่มีใครกล้าข้ามไหหลวงปู่ตื้อก็อาสาข้ามน้ําไปดูเพียงองค์เดียวครับหลวงปู่ตื้อท่านจะไปเจอกับอะไร เวลาหมดซะแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟังต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับหลังจากที่หลวงปู่ตื้อและคณะฉันอาหารที่ชาวเขานำมาถวายเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินทางต่อมา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 ก่อนจะข้ามน้ําไปหลวงปู่ก็นั่งสมาธิดูก่อนปรากฏเป็นเสียงคนพูดเบาๆพอเสียงนั้นเงียบหายไปก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่างูใหญ่งูใหญ่พูดอยู่สองสามครั้งแล้วก็ปรากฏเป็นผู้ชายรูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ผิวดําเมี่ยมเนาะมายืนพูดกับหลวงปู่บอกว่าท่านจะเข้ามาในถ้ำไม่ได้หรอกนะที่นั่นมีงูตัวใหญ่มากเอาเฝ้ารักษาอยู่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 แล้วก็เกาะแพลอยข้ามน้ําไปยังฝั่งตรงข้ามท่านลองหย่างดูเห็นว่าน้ําลึกมากจนกระทั่งไม่สามารถจะหย่างถึงได้หลวงปู่เกาะแพไปอีกฝั่งแล้วก็ได้พบกับถ้ำที่เรียกว่าถ้ำพระปัเจกพระพุทธเจ้าตามที่หลวงปู่มั่นได้พบเห็นในนิมิตเป็นถ้ำที่ใหญ่โตกว้างขวางสวยงามมากอากาศก็โปร่งสบายพื้นถ้าสะอาดสะอ้านเหมือนกับมีคนดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดี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 หลวงปู่ตื้อก็กราบเรียนบอกว่ากระผมขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่พอขึ้นไปบนหลังถ้ำนะี่ปรากฏว่าเป็นหน้าผาสูงและชันมากสูงถึงเกือบสัก 10- บหรือสิวานะ่ยขึ้นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหน้าผาชันจริงๆทางอื่นที่จะขึ้นไปก็ไม่มีกระผมก็เดินดูรอบๆตั้งสองสารอบถ้าขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้ครัพระอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าพวกเราคงจะไม่มีบุญว่าสนาบา ร, รมีที่จะเหาะได้ละมัง้ง ก็พากันเดินลงมาจนเท้าแตกหมดแต่าหากว่าขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้แต่ขึ้นไปได้แล้วลงมาได้อย่างนี้ก็สามารถมากแล้วเก่งเมื่อออกจากถ้ำเชียงดาวแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็นำสานุสิทศเดินทุดงไปทางอำอเภอพร้าวศิธิท์ที่ร่วมเดินทางมีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนและพระภิกษุสมัมมาเนรติดตามอีกสองสารูปคณะหลวงปู่มั่นเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นช่องแคบ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 ท่านตือลองพูดกับช้างดูบางสิหลวงปู่ตื่อก็พูดกับช้างบอกพี่ชายเดี๋ยวเราขอคุยด้วยหน่อยนะฝ่ายช้างเนี่ยหยุดชะงักจากการกินใบไผ่ทันทีพี่ชายเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยเนี่ยช้างหันมาดูทางหมู่พระหูทั้งสองข้างกลางยืนนิ่งไม่ไหวติงเดียวหลวงปู่ตือก็บอกเออพวกเราขอขอทาง สักหน่อยได้ไั้ยขอทางเดินหน่อยพี่ชายมายืนกินใบไผ่อยู่ตรงนี้เราไม่มีทางเดินอะเพราะว่าพี่ชายยืนปิดทางแล้วพวกเราก็กลัวพี่ชายมากพี่ชายหลีกให้เราหน่อยได้ไมเพราะท่านพูดจบช้างก็รีบหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางแสดงให้เห็นว่าหลีกทางให้แล้วพระทุดงก็ออกเดินโดยหลวงปู่ตือเดินออกหน้าหลวงปู่มั่นเดินเป็นอันดับสองพระเนรองค์อื่นนะ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 หลวงปู่มั่นเดินทางกลับอีสานตามคําอาราธนาของเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัวดอุดรธานีเพื่อให้ท่านกลับไปเผยแพร่อบรมกรรมฐานแก่สารุสิตและประชาชนชาวอีสานที่รอคอยท่านมาเป็นเวลานานพอหลวงปู่มั่นกลับไปภาคอีสานแล้วทั้งหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนก็ยังพำนักอยู่ภาคเหนือต่อ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 มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ตื้อได้ออกตุดงเพื่อไปสำรวจภายในถ้าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากการชักชวนของพระอาจรรอาจรย์อินอที่ต้องการไปเสาะหาแท่นหลวงคำแดงซึ่งเป็นที่กล่าวขานของคนในแถบถนนิ่นั้นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่ของชาวรับแล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 มีการจัดสเสบียงเดินทางพวกข้าวตู้ข้าวแห้งเตรียมใบช้ำฉาเพื่อโปรโยเวลาเข้าท้ำป้องกันการหลงทางโดยเฉพาะขาออกจะได้ออกมาตามทางที่โปรโยใบช้ำฉาไว้พระจันทรย์อินเป็นหมองูสามารถจับงูสงบสะกดงูป้องกันงูกัดแล้วก็เป่าแก้พิษงูได้อย่างชํานาญแต่ถ้าเป็นเรื่องผีสางนางไม้แล้วหลวงปู่ตื้นนี่รับมือทั้งหมดเป็นที่เรื่องลือทั่วไปว่าหลวงปู่ตื้อเนี่ย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 มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่หลวงปูก่กาลังเดินจงกรมซึ่งเป็นกิจวัตรปกติของท่านปรากฏร่างของเทวดาตนหนึ่งมาในรูปของชีปักขาวเหาะลอยมาใกล้ทางเดินจงกรมของหลวงปู่เทวดาองค์นั้นสแสดงตนลอยสูงขึ้นไปแล้วก็หยุดยืนนิ่งอยู่บนยอดไม้เหนือทางเดินจงกรมขึ้นไปลอยขึ้นไปยืนนิ่งเฉยเยไม่ได้ทําอะไรหลวงปู่ก็ยังเดินจงกรมอยู่ตามปกติเทวดาก็นิ่งอยู่อย่างนั้นแหละ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 ท่านเป็นฤาษีหรือว่าเป็นพระอาหารหันต์เทพยาดาตนนั้นก็แสดงอาการกางแขนออกทําอาการบุ้ยใบมาทางหลวงปู่หลวงปู่กําเนิด จ, จิตดูก็รู้ว่าเทพยาดาตนนี้คงจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็กล่าวถามต่อไปว่าท่านเทวดาผู้เจริญท่านเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือ ย, ยังไงถ้าเป็นก็ข้าพเจ้าขออาราธนาท่านมาสนทนาด้วยเทวดาตนนั้นไม่ตอบ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 พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่นอกจากนี้หลวงปู่มั่นยังกล่าวถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับผีสางเทวดานางไม้ที่หลวงปู่ตื้อได้พบเห็นในที่ต่างๆอีกโดยหลวงปู่มัน่นท่านรับรองว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจริงสําหรับเทวดาตนที่มีรูปดอกบัวบนฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่กําลังสร้างบารมีอีกไม่นานก็จะได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นบอกต่อไปว่าเรื่องอย่างเนี้ย นานๆจะได้พบสักครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเทวดาบางตนมีศีลธรรมอันดีงามเพราะว่าเคยประพฤติปฏิบัติธรรมมาก่อนหลายชาติแล้วเมื่อละจากร่างอันเน่าเหม็นของมนุษย์แล้วก็ยังประพฤติธรรมอยู่เพราะว่ า, ามีสันดานที่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วเทพยาดาตนที่มีดอกบัวบนฝ่ามือนี้ไม่กี่ชาติก็จะสําเร็จแน่นอน เกี่ยวกับเรื่องเทวดาวิญญาณพูดผีปีศาจ ต, ต่างๆนั้นหลวงปู่ตื้อท่านได้ประสบมามากมายหลายรูปแบบจนได้รับการกล่าวขานว่าท่านเป็นพระกรรมฐานที่ประจโญ์กระสิ่งเร้นลับต่างๆมามากที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธทคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอุทิศตนให้กับการปฏิบัติความเพียรอย่างแท้จริงหลวงปู่ตื้อเคยเดินทูดงไปแถวจังหวัดแม่ฮองสอน ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลและเส้นทางติดต่อธุระกันดานมากที่สุดหลวงปู่เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านเดินทุดงด้วยเท้าจากเชียงใหม่ไปแม่ฮองสอนใช้เวลาหลายวันจึงได้ถึงเมื่อเจอสถานที่เหมาะก็บำเพ็ญภาวนาทำความเพียรไปเรื่อยๆปักหลดภาวนาหลายคืนที่นั่นอากาศดีสถานที่ก็ดีสงบเงียบไกลผู้คนภาวนาก็เรียบร้อยดีมากมีวิญญาณพวก เทวดาวิญญาณโอปาติกะทั้งหลายมาปรากฏตัวแล้วก็ทดสอบลองดีกับท่านอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันในช่วงที่ท่านไปอยู่ที่ถ้ำผาบองคืนแรกในวิญญาณมาลองดีคืนนั้นท่านกำลังนั่ ง, งสมาธิภาวนาอยู่ในมุ้งกรดก็เกิดมีแสงเป็นสายรุ้งสีต่างๆสว่างจ้ามาครอบมุ้งกรดของท่านหลวงปู่บอกว่าระยะ น, นั้นรู้สึกว่ากาลังข้มันแผ่กลุ่มบีบเข้าไปถึงจิตใจ ทำไม่หายใจขัดหายใจไม่ออกลมมันตันไมหมดร่างกายธาตุขันอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่จิตของหลวงปู่ก็แนบแน่นอยู่กับการภาวานาอย่างไม่ลดละอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ไม่นานเท่าไหร่แสงประกายสายรุง่งนั้นก็ค่อยๆ ค, คลายความสว่างจ้าลงแล้วก็หายไปสักครู่ต่อมาก็ปรากฏเป็นนิ้วมือขนาดใหญ่มากเรียกกันว่าเกือบจะเท่าลำตาลเนี่ยมาครอบลงบนกรดทุดองอีก คราวนี้ท่านว่าถึงกับรู้สึกว่าหัวใจหวิวหวิวเกิดอาการกลัวขึ้นมาบ้างเกือบจะหยุดทําความเพียรอยู่เหมือนกันแต่แล้วท่านก็ตั้งมัน่นทําความเพียรต่อตั้งใจมัน่นขอยอมตายใจมั่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธจะตายก็ขอให้ตายด้วยศีลด้วยธรรมแล้วใจก็ค่อยสบายขึ้นหายใจคล่องนิ้วมือยักนั่นก็หายไปอีกสักครู่ก็ปรากฏเป็นร่างคนตัวดำดำสูงใหญ่สักสิบศอกเห็นจะได้แต่งตัวยังกับพระเจ้าแผ่นดิน เดินเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆกลดยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะหลวงปู่ก็ถามว่าใครอะใครอ ย, อยู่ที่นั่นไม่มีเสียงตอบนิ่งร่างนั้นยืนเฉยเดี๋ยวก็หายไปสักพักก็มาอีกละคราวนี้เปลี่ยนเป็นจีปะขาวอายุไม่มากอายุสัก27 28ปียังนมอยู่คราวนี้มาด้วยอาการสงบสงเมเรียบร้อยพอมาใกล้ก็คุกเข่าลงกราบด้วยความเคารพ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 นิมนท่านไปดูแล้วก็นำมาสการด้วยถ้าท่านนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะบอกหนทางเดินให้แต่ท่านอย่าลืมว่าตรงปากทางเข้าไปจะถึงแม่น้ําจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเมื่อเข้าไปในถ้ำนั้นจะเห็นหินยาวรีมีลักษณะคล้ายงูแต่เป็นก้อนหินธรรมดามนุษย์ทั่วไปเข้าใจว่าเป็นงูเพราะว่ามีความกลัวเป็นใหญ่ให้ท่านเดินข้ามไปรู้ว่าเหยียบไปเลยก็ได้และภายใต้ก้อนหินนั้นมีไหายเงินไหทองคําอยู่สี่หาย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 รอยพระพุทธบาทนี่ยาวประมาณ8ศอกกว้าง6กศอกสูงสี่ศอกโดยประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้จริงๆหลวงปู่ก็ทำการสการะแล้วก็จากสถานที่นั้นไปขณะที่หลวงปู่ตื้อภาวนาอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮองสอนตามดอยตามป่าต่างๆท่านมักจะเจอพวกกายทิพต์แล้วก็มีเหตุการณ์ปรแปลกๆมารบกวนการบาเพ็ญภาวนาของท่านเสมอ หลวงปู่ก็ใช้ความอดทนอดกลั้นเอาชนะโดยการบาเพ็ญภาวนาไปทุกครั้งพวกวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นพวกที่อยู่เฝ้าสมบัติมีค่าต่างๆเมื่อได้ทดสอบความมั่นคงทางจิตใจของหลวงปู่แล้ววิญญาณเหล่านี้ก็จะบอกถวายสมบัติที่พวกเขารักษาเอาไว้ให้แต่หลวงปู่ก็ไม่เคยสนใจคงมุ่งหน้าแต่การปฏิบัติทำกรรมฐานเพียงอย่างเดียว ลุงปู่ท่านแนะว่าในเรื่องของพูดผีปีศาจก็ตามถ้าหากว่าใครกลัวผีนี่ก็ให้ไปอยู่ภาวนาในปา่าช้าจิตจะได้ตื่นกลัวแล้วจะได้ตั้งใจภาวนาตลอดคืนจนจิตเกิดสมาธิแล้วก็สงบลงที่นี่มันจะหายกลัวได้เพราะอนุภาพของพุทโธและจิตที่เป็นสมาธิในพวกพูดผีต่างๆจะไม่สามารถทําอันตรายแก่เราได้และเมื่อเราแผ่เมตตาให้ในพวกนี้ก็ยินดีน้อมรับในส่วนบุญก็กลายเป็นมิตรกับเราไว้ด้วย เรื่องราวต่างๆนี้หลวงปู่ตื้อได้เมตตาเล่าให้พระเนนฟังเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งท่านจำมรรสาอยู่ที่พระบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเดินทางมาบำเพ็ญเพียรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลวงปู่ตื้ออยู่ที่พระพุทธบาทบัวบกมีอยู่คืนหนึ่งขณะ ท, ที่หลวงปูก่กาลังเดินจงกรมอยู่ปรากฏมิดงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาหยุดข้างทางเดินจงกรมของท่าน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 แล้วหลวงปู่ก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นบอกว่าเดี๋ยวมึงรอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรู้เรื่องหลวงปู่เดินเข้าไปบนเพิงที่พักจุดเทียนไขอเอาเทียนไปติดที่ปลายไม้เท้าแล้วก็เดินกลับมาที่ทางเดินจงกรมเสร็จแล้วก็บอกมึงหนีไปนะถ้าไมหนีมึงจะเอาไฟทิ่มตูดมึงเดี๋ยวนี่ยผีเปรตตัวนั้นยังนิ่งเฉยส่งเสียงหัวเราะเยาะท่านหลวงปู่ก็เดินเข้าไปใกล้กับพุ่งเทียนเขาใส่มันจริงๆ ได้ผลไอ้ผีเปรตตัวนี้กระโจนหายไปเลยอ่าแล้วก็ไปปรากฏที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปแต่ว่ากลิ่นเหม็นกลับมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งหลวงปู่ไม่สามารถจะข่มใจเดินจงกรมต่อไปได้หลวงปู่ก็ใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันถึงได้หนีไปดูท่าทางว่ามันจะหายไปแล้วหลวงปู่ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปพอได้เวลาพอสมควรถึงเราหยุดพักจากการเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไป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 ท่านก็นั่งสมาธิต่อพักเดียวกลับมาอีกแล้วมาแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านซ้ายมั่งขวามั่งล้อเล่นอยู่อย่างนั้นเนีะพอเอ่ยปากไล่มันก็หนีหนีไม่นานก็กลับมาอีกก็ทำอยู่อย่างเนี้ยหลวงปู่ก็คิดเดี๋ยวจะเอาน้ำสาดมาสักทีท่านก็ลุกจะไปหยิบขันตักน้ำปรากฏว่าขันไม่มีท่านวางเอาไว้ตรงนั้นปรากฏว่าผีเอาไปซ่อนมันหัวเราะเยาะใหญ่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 เจ้าผีเปรตตอนนั้นก็หนีขึ้นไปบนเขาอแล้วก็ส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วว่าอย่างนั้นถึงตอนเช้าหลวงปู่ตื้อก็เดินไปหาหมู่คณะที่อยู่ห่างออกไปซึ่งมีหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่เป็นประธานพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นท่านก็กล่าวทักทายว่าเอท่านตื้อมาคืนนี้ทําอะไรอยู่ผมรบกับผีทั้งคืนนะครับ ทำยังไงเจ้าผีตัวนี้ก็ไม่หนีจนเช้าได้อารุณสว่างไอ้ผีตอนนั้นก็ขึ้นเขาไปเออดีแล้วท่านตื่อผีมันปลุกให้เราภาวานาไง ấy, จะได้ไม่หลับจากนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ตื้อและพระเนียนทุกองค์ก็แยกย้ายกันออกเที่ยวบินธบัตตามสมณ ก, กิจพอฉันัตะทหารเสร็จแล้วต่างองค์ก็แยกย้ายไปบําเพ็ญเพียรอย่างสถานที่ของตนหลวงปู่ตื้อเล่าให้ลูกศิษย์ฟังภายหลังว่า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 เหตุการณ์แบบเนี้ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดะจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าออกก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจําขาดไม่ได้คําว่าพุโทโธนี่เองอ่ะผีกลัวมากที่สุดท่นว่ายอย่างนั้นสมัยที่ท่านท่องทุดงอยู่ทางฝั่งประเทศลาวมีช่วงหนึ่งพักปักหลอดอยู่ที่หมู่บ้านผูดิน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 เสียงเสือร้องรอบๆ บ, บ, บริเวณที่ท่านปักหลอดตั้งแต่หัวคำ่ำหลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ข้างในตลอดไม่ได้นึกวันไหวอะไรพอตกดึกเสียงเสือก็เงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตท่านก็สงบแนบแน่นอยู่ในสมาธิไปจนก็ถงถึงเวลาไก่ขันยามต้นคงประมาณตีสามตีสี่เกือบจะสว่างแล้วคืนนั้นมีวิ ญ, ญญาณของพระ เข้าหาหลวงปู่ในสมาธิก็บอกว่าชื่ออาจารย์คําบ่อมาบอกท่านว่าท่านหลวงทหารและหลวงชาเนี่ยเอาของมาฝากไว้ที่ใต้ต้นคอเมื่อครั้งสมัยเมืองเวียงจันทแตกพระอาจารย์จะเอาไปก็ได้แต่ก่อนจะเอาไปให้สวดมงคลสูตรเซะก่อนแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องบูชาอะไรหรอกว่าอย่างนั้นวิญญาณพระอาจารย์คําบอ ก, ก็บอกสถานที่ทซ่อนทรัพย์ให้แล้วก็แนะนําบอกว่า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 ครูหนึ่งวิญญาณของพระอาจารย์คาบ่อท่านก็หายไปอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้อบำเพ็ญเพียรอยู่ที่บ้านภูดินคือหนึ่งปรากฏในนิมิตเป็นผู้ชายสูงใหญ่ตัวดำมากท่านบอกดำยิ่งกว่าถ่านไฟซะอีกมาปรากฏอยู่ข้างหน้าท่านแล้วก็พูดว่ายังไงก็ฟังไม่ชัดหลวงปู่ก็เลยถามกลับไปว่าเจ้าเป็นชาติอะไรเห็นพูดอะไรแปลงแปล ง, ปลงฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ตอบสั้น บอกว่าเป็นเผ่ากุยก่อมองกะเรหลวงปู่ก็ไม่รู้เรื่องก็ถามไปอีกว่าเป็นเทวดาเหรอเขาก็ตอบย้ำคําเดิมฟังไม่ได้ความเป็นชาติอะไรกันแน่เป็นคนเป็นเทวดาเป็นผีไม่รู้เรื่องผู้จ่าก็ไม่รู้เรื่องหลวงปู่ก็เลยบอกให้นั่งลงแล้วก็กราบพระเสีไอ้ผีนั่นยิ้มใหญ่ไม่ยอมไหว้พระหลวงปู่ก็บอกถ้าไม่ไหว้พระมึงก็ไปเสเหอะไปอย่าอยู่เลยก็เขาทําท่าจะนั่งลงแต่ไม่นั่ง แสดงอาการย่อตัวเล็กน้อยแล้วก็หลีกหนีไปคืนหนึ่งมีเทพองค์หนึ่งมีชื่อว่าทีคาวุโสประกาศตัวเองว่าชาติก่อนเป็นเจ้านะครเวียงจันทร์เข้ามาหาท่านท่านทีคาวุโสนี่พูดกับหลวงปู่ตื้อบอกว่าเจ้าหัวลูกมาจากไหนเจ้าปู่เฝ้าดูเห็นว่าท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมหน้าเลืมใส สมัยนครเวียงจันทร์ครั้งก่อนเนี่ยชาวเมืองเขาตั้งใจบำเพ็ญกุศลกันดีมากชาเมืองก็ใส่บาตรทุกวันด้วยเจ้าปู่เห็นท่านไปบินธบาตแล้วไม่ค่อยมีคนใส่บาตรเลยแต่ก็ดีนะว่าท่านมีความอดทนน่ายกย่องสารเสรื่อท่านมากที่ไม่ท้อถอยในการบ ำ, บำเพ็ญเพียรไม่เห็นแก่ได้เพราะว่ารู้บางวันจะหัวลูกนี่ไม่ได้อาหารบิณธบาตเลย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 จะด้วยจุดประสงค์อะไรเนี่ยท่านก็ไม่รู้ในมุ่งกลดของพระอาจารย์ที่อยู่เป็นเพื่อนโยมยก็จุดเทียนขึ้นสว่างเนี่ยท่านก็คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งหลวงปู่ทั้งโยมที่มารักษาศีลไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยหลวงปู่ท่านบอกภายหลังว่าพอนึกถึงคําพูดของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ว่าผีมันปลุกให้ภาวนาอ่าที่นี้มีกําลังแข็งแรงทั้งกายทั้งจิตทีเดียวพอสว่างหลวงปู่ก็เตรียมตัวออกไปบินธบัต วันนั้นไปบิณทบาทที่บ้านติว้วอำเภอบ้านผือพอฉันอาหารเสร็จพระอาจารย์ที่เป็นเพื่อนอยู่ในคืนนั้นก็เก็บบริขารเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหลวงปู่ตื้อก็ถามพระองค์นั้นว่าท่านจะไปที่ไหนอพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกผมอยู่ไม่ได้หรอกตลอดคืนมีแต่ก้อนหินตกลงมานี่นั่งภาวนาอะไรก็ไม่สะดวกไม่เอาผมไม่อยู่แล้วไปดีกว่าหลวงปู่ตือ้อท่านก็บอกว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมเรื่องเวสันดรชาดก พอพระองค์กล่าวคาถาขึ้นเท่านั้นก็มีฝนเงินผลทองตอกลงมาเป็นพุทธบูชาและเมื่อมีการแสดงธรรมเวสสันดรทุกวันนี้นะพอพระท่านกล่าวคาถาพันเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็โปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเหมือนกันเมื่อคือนนี้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธฮเ ท, ทวดาเขาก็อนุโมตนาโปรยดอกไม้ทิพเป็นเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ทิพอะไรกคะอาจารย์มีแต่ก้อนหินเทนั้นนะ่ะไอ้เรื่องเข้าตอกดอกไม้นะั่นเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาแล้วก็รู้สาเหตุที่มาด้วยแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลยใครก็ไม่รู้เป็นคนเกวี้ยงทุกคนอยู่ที่นั้นก็พากันหัวเราะขบขันแล้วก็ต่างก็แยกย้ายไปสู่ที่พักบําเพ็ญเพียรของตัวส่วนพระอาจารย์องค์นั้นกราบลาย้ายไปที่อื่นอ่ะกลัวผีดำหลวงปู่ตื้อยังพักอยู่ที่เก่าตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อน หลวงปู่บอกว่าเพึ่งจะมาถึงคืนแรกเท่านั้นนะนะมันน่ะต้อนรับน้องใหม่แม่แค่คืนแรกก็จะท้อถอยกลัวมันแล้วผีมันก็หัวเราะเยาะตายว่าเรากลัวมันแล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็ไม่ได้เจ็บตัวเจ็บอะไรจากการกระทําของมันเนี่ยเพียงแต่มันรบกวนเราให้ได้รับความรําคาญเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราไปอยู่ที่อื่นไปเจอเจ้าที่ที่อื่นอีกก็ต้องถูกลองดีเรื่อยไป ไม่ได้แบบนี้มันต้องทําความเข้าใจกันพี่เป็นที่ที่ไปหลวงปู่ตื้อไม่ยายพักบําเพ็ญภาวนาอยู่ตรงนั้นนะต่อคืนต่อมาสักสามทุ่มเศษหลวงปู่ตื้อกาลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดทุดงได้ยินคล้ายๆเสียงฝีเท้ามาเดินไปเดินมารอบๆบริเวณที่ท่านนั่งอยู่กุกักกุกับเสียงมาเดินดังที่ก้อนหินเป็นยังหวะ นักเข้านักเข้าเดินเข้ามาหามุงกรดของท่านเสียงมันใกล้ชิดมุงเข้ามาทุกทีหลวงปู่ก็เลิกกรดเลิกมุงกรดขึ้นดูเห็นม้าสีขาวตัวใหญ่เดินเลี่ยงห่างออกไปท่านก็เอามุงกรดลงแล้วก็นั่งภาวนาต่อไปเสียงม้าก็ยังรบกวนแบบเดิมอยู่อีกหลุงปู่ก็เลยออกจากมุ้งแล้วมาเดินจงกรมแทนอีกไม่นานก็ได้ยินเสียงม้าเดินอีกแต่ว่าอยู่ห่างออกไปเสียงเดินดังอยู่รอบๆห่างๆคงไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่าน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 เดี๋ยวนี้คล้องใบนี้ยังเก็บไว้ที่วัดพระธาตุแตงโมในเมืองหลวงพระบางคล้องที่ว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มีเสียงดังกังวานกว่าคล้องธรรมดาทั่วไปที่ว่ า, าขนาดใหญ่เท่ากันหรือว่าใหญ่กว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าพระภิกษุรูปนั้นหลังจากที่ได้คลองมาแล้วท่านก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหน มีความเชื่อกันว่าท่านหายเข้าไปอยู่จำพรรษาในเมืองรับแลที่ท่านเข้าไปนั่นแหละ